บุกทูเจ็ดสิบเซินสมชอบอยากคาเมกติโคโนริตคุณอยากสูบบุหรี่ไหมอร์โนริตมีเตรูคิิคุณอยากเต้นรำไหม รนรนตมตคตคุณอยากไปเดินเล่นไหมอรุอรอมผมอยากจะสู่บุหรี่นรนจคคุณอยากได้บุหรี่สักมวลไหมอานอรสรเติสเขาอยากได้ไฟแชก ผมอยากดื่มอะไรหน่อย Ash n o r i a u konors i š g e r t i ผมอยากทานอะไรหน่อย a š n o r i a u konors v a l g i t i ผมอยากพักผ่อนหน่อย a š n o r i a u t r u p p u t į p a l s ė t i ผมอยากถามอะไรคุณหน่อย Ash n o r i e j u s u k e i k p a l y p s ผมอยากขอร้องอะไรคุณหน่อย Ash n o r i j u s u keiko p a p r t ผมอยากจะเลี้ยงคุณ Ash n o r i e j u s kekor p q u i s t คุณจะรับอะไรดีครับรัชโชคุนอริตเมเตคุณจะรับกาแฟไหมครับอาร์นเรโตเมเตปัวเดลูกาฟสหรือว่าคุณจะรับชาดีครับโอกาลเกเรอโนเรโตเมเตอร์บาทุสเราอยากจะขับรถกลับบ้านเมสโนเรโตเมนาโ คุณต้องการรถแท็กซี่ไหมอร์โนรีตัมีแต่วัจจุตตักซพวกเขาอยากทัวรศัพทับเยนอรีตุปัสการเรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด